พษาได้ผ่านไปแล้วนะเป็นอาทิตย์แล้วแต่ว่าสําหรับพระนี่ออกพรรษาจริงๆก็คือเมื่อรับกฐินแล้วเพราะว่าพอพระรับกฐินแล้วนะถึงจะเริ่มออกจากริกออกเท่าดงกันถ้ายังไม่รับกฐินส่วนใหญ่ก็ยังไม่ไปไหน ยิ่งถ้าเป็นพระใหม่ด้วยแล้วนะก็จะรอศึกก็หลังจากที่รับกระถินแล้วยังถ้ายังไม่รับกระถินก็ยังไม่ศึกหาราเพศอย่างวันนี้เนี่ยนะที่วัดป่าสุกโตก็มีพระหลายรูปนะที่จะศึกหลังจากที่รับกระถินแล้ว อันนี้เราถึงจะเรียกว่าเป็นออกภาษาจริงๆนะสำหรับพระหลายวัดก็เป็นเช่นนั้ น, น, ะนะเรียกว่าพอรับกกระินแล้วก็เหมือนกับพึ่งแตกหลังก็ได้นะบางท่านก็ยังอยู่ต่อนะแต่ว่าจำนวนไม่น้อยก็เดินทางและอีกหลายรูป ก, ก็จะศึก สำหรับผู้ที่จะศึกนี่ก็เหมือนว่าเป็นการกลับคืนสูส่สภาพเดิมสภาพเดิมนี่ไม่ได้หมายถึงเฉพาะสถานภาพหรือว่าเพศเดิมคือเพศขรุขระแต่ว่ายังหมายถึงการกลับไปสู่โลกที่คุ้นเคยกลับไปสู่บ้านซึ่ง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 หลายคนพอศึกไปแล้วแค่เดินทางนะเข้ากรุงเทพก็จะรู้สึกว่ามันแตกต่างอย่างมากรู้สึกแปลกแยกกับสภาพที่เต็มไปด้วยความแออัดอุ่นวายอึกระทึกโลงครวานี่ เมื่อเปรียบกับโลกของผ้าป่านี่มันก็ต่างกันมากทีเดียวสึกออกไปแล้วออกไปเจอโลกภายนอกก็ไม่ต่างจากการอยู่ในห้องแอร์เย็นๆแล้วออกไปเจอแดดที่ร้อนเปลี่ยนถ้าออกแบบถ้าออกไปเจอแดดที่ร้อนเปลี่ยเปรี่ยนนั่นแบบ รดเร็วทันทีนะก็อาจจะเจ็บป่วยได้ปกติก็จะให้คนที่จะออกจากห้องแอร์เย็นๆนะไปเจออากาศที่ร้อนนี่ก็ก็จะนั่งพักในร่มเงาสักหน่อยนั่งพักใต้ใชายคาสักหน่อยออกจากห้องแอร์ไปแล้วก็ยังไม่รีบผุนผันไปเจอแดดร้อนทันที ต้องอยู่ในอยู่ใต้ใชายคาสักพักพอปรับตัวได้กับความร้อนเผาจากภายนอกแล้วถึงค่อยออกไปเจอแดดเพราะน้นตามธรรมเนียมเนี่ยเมื่อพระศึกไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่รีบออกไปสู่ชีวิตทางโลกทันทีอาจจะนิยมให้ให้อยู่สักสองสมวันก่อน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 มันจะได้ค่ อ, อยๆกลืนเข้าไปไม่เปลี่ยนสภาพ <c oughs> ไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตทันทีซึ่งทําให้มีปัญหามันมีปัญหาเหมือนกันในเวลาพอที่ศึกไปแล้วก็รีบกลับบ้านเลยจะกิดอาการที่เราสําลักเสรีภาพนะสำลักเสรีภาพเพราะว่าพอศึกไปแล้วนี่โอ้ยกลับไปบ้านนี่ทำอะไรก็ได้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 เช่นทะเลาะกันไปตีกันกับคนที่เป็นวัยรุ่นด้วยกันก็เคยมีนะที่สึกจากวันนี้ไปแล้วก็ปรากฏว่าไม่กี่วันต่อมาก็กลับมาในสภาพที่เป็นศพเพราะว่าไปเมาแล้วไปตีกันกับคู่อริ ไอตอนไม่เมาก็ไม่ไม่เป็นคู่อรินะแต่พอเมาแล้วอะไรแล้วก็เป็นคู่อริได้ง่ายถูกตีตายทตอนที้เพิ่งสืบแฟนไม่กี่วันหรือบางคนก็เมาแล้วขับรถชนรถตกคูตายวันนี้เรียกว่าเป็นเพราะสำลักเสริภาพนะ เมื่อกัน้ำเหมือนกับปลาเนี่ยมันเจอน้าใหม่ที่ว่าก็ถ้าไม่ถ้าเจอรวดเร็วทันทีก็สำลักลอยคอเพราะนักก็ยังมีธรรมเนียมนะให้ให้พระเนี่ยเมื่อศึกแล้วก็ต้องอยู่วัดสักหน่อยก็ค่อยปรับตัวค่อยคอยเรียนรู้ชีวิตของคารวาสและพอกลับบ้านอาจจะได้ไม่ ไม่เสียผู้เสียคนหรือว่าไม่เนียนเป็นไปง่ายๆที่จริงไม่ใช่พระนักคารวสก็เหมือนกันนะมีคารวะเนี่ยบางคนก็ถือศีล น, นะถือศีลห้าไม่กินเหล้าเลยแต่ก็อดกลั้นเอาไว้พอออกพรรษาปุ๊บนี่ก็ฉลองกันเต็มที่เลยฉลองจนเมากลับไปบ้านก็ทะเลาะ ก, กับเมีย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 ตายหัวตายในวันออกพรรษาเนี่ยหรือลองวันออกพรรษาหนึ่งวันนี่เรียกว่าออกจากออกจากวัดก็กลับมาที่ก็อยู่ในโรงเลยอันนี้เพราะสำลักใส่ริภาพเหมือนกันอั น, นก็ต้องระวังนะเวลาสึกออกไปแล้วต้องรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดี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 เราได้ใช้เวลา3เดือนในการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่าให้เวลา3ามเดือนที่ผ่านไปมันสูญเปล่าเมื่อออกไปแล้วเนี่ยต้องเป็นคนใหม่ใหม่กว่าเดิมถ้าออกไปแล้วศึกไปแล้วนี่เหมือนเดิมนะแสดงว่าสามเดือนที่ผ่านไปนี่มันสูญเปล่าอาจจะเรียกว่าขาดทุนก็ได้เพราะว่า งานการก็ไม่ก้าวหน้าและยังแถมยังเป็นสร้างภาระให้กับเพื่อนหรือว่าพ่อแม่ที่เขาต้องรับภาระแทนเราเอคนเรานี้กลับไปเมื่อศึกไปแล้วนิ่ต้องเป็นคนใหม่ใหม่กว่าเดิมไม่ว่าใจในแง่ของทานไม่ว่ในแง่ของศีลหรือภาวนาอย่างน้อยก็ต้องมีชีวิตที่สงบเย็นกว่าแต่ก่อน มีอะไรมากระทบก็ไม่กระเพื่องง่ายๆอที่พูดนี้ก็รวมไปถึงนักปฏิบัติธรรมที่เป็นค า, ารวานหรือแม่ชีด้วยอโลภายนอกนี่มันเหมือนกับที่โลง่งมันไม่มีต้นไม้ที่จะให้ความร่มเย็นเหมือนที่นี่ ชีวิตของคาราวาเป็นชีวิตที่เต็ไมไปด้วยสิ่งบีบคั้นเสียดแทงมากมีภาระต้องทําแล้วก็มีสิ่งกระทบมากมายถึงแม้ว่าโลกภายนอกมันจะมีเดี๋ยวนี้ก็มีห้องแอร์ห้องแอร์นี่อยู่ทุกคนทุกแห่งในบ้านในรถแล้วก็ตามศูนย์การค้าเข้าร้านเดี๋ยวนี้ก็ติดแอร์กันแล้ว ใจนั่นมันเป็นการาความเย็นทางกายแต่ว่าใจนี่จะรุ่มร้อนเพราะว่าชีวิตที่ต้องแข่งขันชีวิตที่เต็มไปด้วยการบีดคั้นดิ้นรนก็เปรียบเหมือนกับที่โล่งๆกว้างๆแดดร้อนฝนตกถ้าไม่มีร่มแดดร้อนก็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 ว่าอยู่ในวัดเนี่ยมันก็มีวิธีชีวิตที่คอยป้องกันไม่ให้สิ่งเราเ ร, อรอยายาวยวดเนี่ยมากระทบใจให้เป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นรูปลดกลิ่นเสียงนะไม่ว่าจะเป็นวิธีชีวิตที่ไม่ค่อยไม่จเป็นต้องไปที่ลนแข่งขัน หรือรีบเล่งอะไรแต่ว่าโรคคาราวานี่หรือโลกภายนอกมันอีกแบบหนึง่งเพราะฉนั้นเราต้องมีนะเมื่อเราไปที่โลงกว้างเนี่ยเราต้องมีร่มเพื่อไม่ให้แดดเผาไม่ให้ฝนทำให้เปียกปอนร่มในที่นี้เนี่ยหมายถึงร่มในใจ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 ในใจด้วยเพื่อไม่ให้ผัสสะต่างๆมันมาทำให้ใจกระเพื่อมได้เวลาได้ยินคำต่อว่าคำตำหนิเวลาเจอเพื่อร่วมงานที่เอาเปรียบหรืออาจจะเจ อ, อเจ้านายที่ไม่เข้าใจหรือแม้กระทั่ง เจอคู่ครองที่ผููจาไม่ดีกับเราไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ง่ายในวิถีชีวิตของคาราวาสที่จริงในวัดก็ไม่ได้ปลอดพ้นทีเดียวแต่วมันมีน้อยกว่าอันนี้เมื่อเจอแล้วเนี่ยทาไงใจเราจะไม่ทุกข์เชื่อว่าหลายคนที่มาวัด น, นี่ก็เพราะว่ามีความทุกขนะ์จากโลกภายนอก จากภาษาที่มากระทบนะจากเหตุร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตอันนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่จาเป็นว่ามันต้องทำใ ห, ให้ใจเราทุกข์เสมอไปนะอย่างที่พูดเมื่อวานได้ยินคำตำหนิคำต่อว่านะมันก็เป็นแค่ภาษาแต่เราสามารถเลือกที่จะไม่ทุกข์ก็ได้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 จะไม่มีสิ่งแย่ๆเกิดขึ้นกับเราไม่ใช่มเขาไต้องมีคนพูดดีๆกับเราตลอดเวลาทําตามคำสั่งหรือทําตามใจเราทุกอย่างไม่ใช่แม้มันจะเป็นตรงกันข้ามแต่ว่าใจเราไม่ได้ทุกข์ด้วยเลยอันนี้ก็เปรียบกับว่าเราอยู่ในที่ร้อนที่โล่งแดดร้อนฝนกระหน่ำนะแต่ว่า ไม่เปียกไม่ร้อนไปด้วยอันนี้เพราะเรามีภูมิคุ้มกันเหมือนกับมีร่มที่คอยรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ที่ถ้าเรามีร่มแบบนี้คือมีธรรมรักษาใจแล้วแม้เราจะเจออากาศร้อนเราจะเจ อ, เจอฝนตกอากาศที่หนาวหรือเจอเหตุร้ายต่างๆใจเราก็เป็นปกติได้ ที่นี่ทุกปีเนี่ยเราจะมีกิจกรรมเป็นงานใหญ่ก็คือธรรมยาตราทามาปีนี้เป็นปีที่14แล้วหลวงพ่อท่ายเริ่ ม, มตั้งแต่ปี 4-3 สธรรมญาตราคือการเดินจาลิกไปตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะพักตามวัดเพื่อเชิญชวนให้ผู้คนได้ตื่นตัวเกิดสำนึกด้านเสียงวัดล้อม ก็ไม่ได้ไปไกลไหนไกลมากก็บนหลังเขานี่แหละจากนี่ไปชัยภูมิจากชัยภูมิไปถึงภูหลงหรืออย่างปีนี้ก็จากท่ามาไฟหวานลงแกล้งคลอแล้วไปสุดที่วัดตาภูทองใกล้ๆภูหลงเจ็ดคืน8วันนอกจากเพื่อ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 คติคำขวัญนะว่าก า, กายร้อนใจไม่ร้อนร้อนแต่กายนะใจสงบเย็นมันจะทำได้อย่างไรเป็นไปได้หรือเป็นไปได้อันที่เราจัดให้มีธรรมญาตราสนก็เพื่อจะได้ได้เลยรู้เออเราจะรักษาใจของเราให้สงบเย็นเบิกบานได้อย่างไรในเมื่อสิ่งรอบตัวไม่เป็นใจ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 กรวจแทงเท้าเมื่อ2ปีก่อนมีเด็กคนหนึ่งอานะยุสิบมาเดินธรรมยาตาตั้งแต่อายุสขวบ1 0 1สขวบเดินมา 3-4 ปีส5หปีแต่ละว่าวันหนึ่งก็มีผู้ใหญ่ก็ถามเนี่ยเธอไปเดินธรรมยาตามาหลายปีเนี่ยเดินทำไมเธอก็ไม่รู้จะตอบยังไงก็ตอบอย่างที่ น, นึกเอาหรือทึ่เคยที่ได้ฟังมาคือเดินเพื่อฝึกสมาธิผู้อยากก็ถามว่างั้นฝึกสมาธินี่มันก็ทําที่วัดก็ได้ทําที่บ้านก็ได้ทําไมต้องออกไปเดินทำไม่ยัตตาเธอก็ตอบไม่ได้ก็เป็นคําถามที่อยู่ในใจว่าเดินทำไม่ยัตตาไปทําไมเดินเพื่อฝึกความอดทนเดินเพื่อหาเพื่อหรือเปล่า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 เธอก็อยากจะลองถอดรองเท้าดูบ้างในวันเทีท้ายที่ถอดรองเท้าเพราะว่าได้ฟังเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งอีอ่อาตมาเคยเล่าให้เขาฟังเล่าให้คนเดินธรรมยตาฟัาว่าเคยพาคนไปเดินจงกรมประมาณชั่วโมงหนึงสีนาทีแล้วก็บอยให้คนถอดรองเท้าทางจงกรมก็มีกวดมีหินไม่ใช่เป็นทางปูน ยิ่งกว่านั้นมัน ม, ม, นมีมันมีหลังมดด้วยฝนตกมานี่มดมันก็เดินเพ่นผ่านอีงคนหนึ่งเขาเดินเจอมดมดก็กัดกัดก็ปวดมากเลยบางทีมือมากก็จะอยู่ไม่สุกเลยต้องปัดต้องกระทืบเท้าเพื่อให้หมดนี่มันอหลุดมาจากขาอาตอมาก็เลยย้าให้เขาลองดูว่าเนี่ยทําลองดู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 นี่พอมดมันขึ้นมามันก็เริ่มกัดแล้วเขาก็เห็นความปวดเห็นความเจ็บเห็นความแสคือเห็นเวทนาเนี่ยนะมันเป็นมันเป็นจุดๆมันก็โดนดทูดจี้บางบางทีก็เป็นระลอกคลื่นบ้างาก็ดูเวทนานะเจ้าพระก็มาดูกายบอกว่ากายหัวใจเต้นเร็วกล้ามเนื้อเกรง็งเบ้มปากกัดฟัน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 เขาก็ดีใจมากก็ก็มาไล่ฟังอาตมาก็เลยมันเล่าเรื่องนี้ให้คนเดินธรรมยาตาฟังอันเด็กคนนี้เขาก็มันงเป็นไปได้หรือเขาอยากจะลองก็เลยถอดรองเท้าเดินบนทางที่เป็นหินเป็นกรวดทางลูกลังทีแรกก็เจ็บนะเดี๋ยวก็ไปนี่โอ้ยสะดุ้งเลยตกใจแล้วก็เจ็บก็ เ, เห็นอาการเลยนะเหยียบพอเหยียบปุ๊บเนี่ยสะดุง้งตกใจเจ็บ นี่ก็เข้ามาตั้งหลังใหม่ก็ดูมันอันนี้พอดูอีกทีนี่โอขาก็บอกอ้าปากค้างเลยเพราะมันก็าได้เห็นความอัศจรรย์ได้เห็นสิ่งที่รู้อยู่ตลอดเวลาว่ามันมันมีอยู่กับตัวแต่ว่าไม่เคยสังเกตมองข้ามเขเห็นอะไแล้วก็เห็นความกลัวตอนที่เหยียบแล้วก็เห็นความกลัวมันดับไปก็เห็นความสะดุง้งความตกใจปุ๊บแล้วมันก็หายไป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 เสียดแทงดีบคั้นนะแต่ว่าใจก็จะยังเป็นปกติได้อันนี้แหละคือสิ่งที่คนเราควรจะมีโดยเพราะคารวาวาต้องมีใจเพราะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าชื่นคารามานก็ชื่อที่เดินนะอยู่ในที่โลง่งกว้างแดดร้อนฝนกระหนำ่ำถ้าไม่มีร่มแดดก็เผากาย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 โลกามิทถูกก็ไม่ติดอโลกะธรรมฉาบก็ไม่ติดโลกามิทถูกก็ไม่เปื้อนนะเพราะว่ามันมีเครื่องเคลือบนะเป็นเครื่องเคลือบเรื่อรสาจิตนี่คือนะสภาพจิตหรือคุณภาพจิตของคนที่ได้รับการฝึกมาไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นคารวะเราต้องมีสิ่งนี้ก็นะทำให้เราสามารถจะอยู่ในโลกที่มันวุ่นวายรุ่มร้อนได้โดยที่ใจสงบ จิตเป็นสุขอนี้เรียกว่าอยู่ในโลกแต่ตัวอยู่ในโลกแต่จิตอยู่เหนือโลกคือสภาวะเป็นโล ก, กุตระเปรียบได้กับดอกบัวอยู่พ้นน้ำน้ำถูกก็ไม่เปื้อนไม่ไม่ติดให้เราเนี่ยรักษาใจของเราเนี่ยแบบนี้และเราก็จะอยู่ในโลกที่มันผันผวนแปรได้ด้วยใจที่สงบเย็นได้เปรียบเหมือนกับลิ้น ง, งูนะมันอยู่ ในป่า ง, งูได้อย่างปลอดภัยป่า ง, งูเนี่อยอันตรายนะเพราะมันมีเขี้ยวแต่ลิ้นของงูนี่มันปลอดภัยในท่านเปรียบกับคนที่อยู่ในโลกโดยที่โลกธรรมชาติไม่ติดความทุกข์ก็ไม่แปดเปื่อนอาวชาตนี้ก็เพิ่งกัเท่านี้นะครับ